ต้องการอะไรที่มันซื่ อ, อ, อ ต, รตรงชัดเฉพาะหน้าไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นสภาวะที่ตรงไปตรงมาไม่หลอกนะทีนี้ในการปฏิบัติในกรณีที่มีเวทนาทางกายหรือสัญญาทางกายเนี่ยมันไม่มีความหลากหลาย ทางความคิดและอารมณ์เนี่ยจิตมันก็จะไม่เล่นด้วยจิตมันจะรับรู้เดียเด๋ยวๆแล้วมันก็จะไปหาเรื่องที่มันเคยไปือไปคิดไปสังขารมันจะเป็นเรื่องของจิตแต่สังขารคําว่ากายะสังขาร น, นี่ก็คือตัวเวทนานั่นเองเนะจิตแต่สังขารกายะสังขารเป็นศัตว์แต่ตัวเวทนาเนี่ยเป็นความรู้สึก อะไรก็ตามที่มีความรู้สึกปรุ ง, ปรงไปเย็นร้อนออนไขแข็งตึงเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาทางกายที่นี่ในตัวเวทนาตัวนี้มันก็จะเป็นตัวเขาเรียกเป็นตุ๊กตานะเหมือนเราจะตัดผมช่างตัดผมเขาจะฝึกตัดผมเขาก็จะผ่านตุ๊กตาก่อนถ้าจูจๆไปตัดผมจริงเลยเขาให้ตัดไหม ไม่ตัดนะต้องผ่านทุกตาเหมือนกันการที่เราจะเรียนรู้ตัวสัญญาของใจเนี่ยเราก็ต้องมาให้เรียนรู้ผ่านตัวตุกตาคือสัญญาทางกายซะก่อนนะเพราะว่าตัวอ่านสัญญาทางกายก็คือใจเนี่ยเป็นผู้อ่านถ้าใจไม่มาอ่านว่าเออความรู้สึกงี้ร้อนนะควรู้สึกนี่เย็นนะควรู้สึกที่เจ็บควรู้สึกที้ปวดนี่ใจมันเป็นผู้อ่านนะเพราะฉะนั้น มันก็ต้องอ่านผ่านกายเหมือนกันการ์ที่ช่างใช้ตัดผมจริงกับช่างใช้ตัดผมในหัวตุกตาเนี่ยเป็นกันไกลักษณะเดียวกันยี่ห้อเดียวนะไม่ได้ต่างนะแต่ว่าสถานที่ตัดเนี่ยต่างกันอันหนึ่งมันเป็นเพียงตุกตาอันหนึ่งเป็นของจริงมือนกับจิตที่จะมารับรู้ทั้งกายกับทั้ง คามเวทนาความรู้สึกทางจิตกับุยเรื่อทางกายนึงก็เป็นจิตเดียวกันแต่มันอยู่คนละสถานะเหมือนกันไก่ที่ช่างตัดถ้าให้คนฝึกใหม่ก็ไปตัดกับลูกตาแต่คนที่ชำนาญแล้วก็มาตัดกับผมจริงกันไก่กัเดียวกันนะการรับรู้เวทนาก็เหมือนกันเราก็จิตเดียวนั่นแหละมันก็จะรู้ได้สองสถานะคือรู้เวทนาทางกายและเวทนาทางจิต เอาให้เป็นเป็นหลักเวทนาทางกายเป็นหลักไว้เพราะว่ามันสัมผัสได้ตลอดเวลาสัมผัสได้ตรงตรงและตลอดเวลาแต่เวทนาทางจิตนี่มีตลอดไหมอันนี้ไม่ได้ถามหาแง่ฮ า, างอนอะไรแล้วนะถามจริจริงบอกว่าตอนนี้บอกว่าเบาใช่ไหมถ้าตอ่อไปถ้าจากเบามันจะกลายเป็นอะไรขามันเส้นอย่าไปคิด เรื่องนี้ไม่ให้คิดนั่นถามว่าต่อจะเบาหรืจอรจะหน ก, ก็เป็นหนักใช่ไหมหมดอย่างหนักมันจะกลายเป็นไรมันเบาแล้วมันเคยคลายไอ้เบอๆหนักๆเคยห่างจากกลยแล้วบ้างไหมนี่เราจะบอกว่าเป็นบางคราวได้ไงตลอดเวลา <laughs> แต่ว่าเราจะรับรู้หรือไม่รับรู้ท่านเองใช่ไหมแต่ถ้ารับรู้ว่าหนักเราชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบใช่ไหมรับรู้ว่าเบาเราชอบหรือไม่ชอบ ชอบใช่นั่นเป็นเวทนาตัวที่สองแล้วคือทางใจใช่ไหมชอบหรือไม่ชอบนี่เป็นเวทนาทางจิตฉะนั้นถ้าเราไปบางครั้งเราก็รับรู้มันบางครั้งแล้วก็ไม่รับรู้มันใช่ไหมถ้าในช่วงที่เราไม่รับรู้เนี่ยมันก็ไม่ไปบอกว่าชอบหรือไม่ชอบแสดงว่าทางใจเนี่ยมันเป metros, ็นเฉพาะเวลาเราไปรู้มันเท่านั้นเองในช่วงที่เราไม่รู้แต่กายนี่เราจะรู้ไม่รู้มีตลอดใช่ไหมนั่นถึงบอกว่าเอาเป็น เป็นหลัไว้ก่อนเพราะมันปรากฏตลอดแต่ทางจิตเนี่ยแล้วแต่ว่าเราไปรับรู้ตอนไหนอ่าบางทีเราไปเพลินเนนั่งเล่นไพ่สามวันสองคืนไม่รับรู้ร่างกายที่หนักก็มีใช่ไหมไม่รู้สึกว่าหนักเยบาตลอดเนี่ยแต่ร่างกายมันหนักจะตายอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะเห็นว่าหลวเทียนก็บอกว่าให้ดูกายและความรู้สึกของกายก็ได้แก่เวทนา ให้ดูจิตความรู้สึกของจิตก็ได้แก่ตัวเวาีทางใจคือชอบหรือไม่ชอบนะเป็นฐานของอารมณ์แต่ตัวชอบหรือไม่ชอบก็มาจากตัวเบาตัวหนักนั่นเองใช่ไหมหนักคือเราไม่ชอบเบาคือเราชอบนะแต่ที่มันมีอีกตัวหนึ่งที่ได้สาธิตดูมเมื่อวานมันเป็นภาวะที่ไม่หนักไม่เบาเนี่ยเขาเรียกอะไรเพราะรู้ว่าหนักเนี่ยไม่ชอบเบาในชอบ แล้อีกตัวหนึ่งที่มันไม่หนักไม่เบามันเป็นอะไรเราจะบอกว่าเฉยๆเนี่ยได้ไหมประมาณนั้นแล้วบอกเฉยๆพราวภาษายากตรงนี้เออถ้าว่าหนักว่าเบาชอบไม่ชอบมีชัดใช่ไหมแต่อีกตัวหนึ่งที่ระหว่างกลางระหว่างหนักไป อ, อย่างซุ่งว่ามานั่งเนี่ยมาบอกว่าหนักแต่ในขณะที่มันกำลังลุกขึ้นเนี่ยความต่อเนึ่งกัระหว่างหนักกับเบาต่อเชื่อมกันนอะ ตรงนี้เราไม่อาจเรียกได้ว่าหนักหรือเบาเขาเรียกว่าอะไรซื่อๆเฉยๆแต่ในบาลีเขาใช้คำว่าอทุกขเข้ามาสุขคือเจะว่าสุขก็ไม่ใช่จะว่าทุกข์ก็ไม่เชิงแล้วมันหยัดว่าไงภาษาไม่สุขไม่ทุกข์จะได้ไหมไม่หนักไม่เบาฮะภาวะอันนี้เป็นภาวะที่รู้ยากท่านจึงเรียกว่า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 ความชอบไม่เกิดใช่ไหมมันกลายเป็นอะไรกลายเป็นศีลน่ะปกติเมื่อความหนักเกิดขึ้นเรารู้ทันว่าเออหนักนีไม่ได้ทําให้เราไม่ได้ก่อให้เกิดความไม่ชอบหรือความหนักใจแต่เรารู้ทันว่าเออความหนักนี้มันก็เป็นมาลุยกี่ th, ม๊อบกี่หมื่นกี่แสนชาติแล้วมันก็หนักอย่างเงี้ยไม่เคยเปลีป่ยนแปลงไ ป, ปอย่างอื่นเพราะนั้นเราจะไปหนักกันทําไมเนี่ยพอรู้ทันอย่างเนี้ยไอ้ความรู้สึกที่คิดอย่างนี้ได้เขาเรียกว่าสมาธิ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 อิเดเดชปฏิหารบำเพ็ญตะบะใช่ไหมนั่งทั้งวันโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยเพื่อจะไปเล่นกันมาอย่างนั้นแหลยะยืนทั้งวันขาเดียวเลยไม่เคยอยากยืนเปลี่ยนแปลงที่สำนักอเมื่อก่อนอ เ, อเขาเรียก ว, วัดกระโจมทองอใช่ไหมปฏิบัติแบบลงพ่อเป็นธรรมะธโลยืนตะลอดย4ิบสี่ชั่วโมงเลยนะบาง เขไ ม, ม่ใครอาจารย์ทองล้วนทวีสีหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะก่อนที่จะมาหานหลวงพ่อเทียนเนี่ยเขาพ่ฝึกเด้๋ววัดนี้มาก่อนนะวัดอะไรนะเมื่อกี้พนระกระโจมทองนะ่ะอาจารย์สุทัศนะ์เมา่อก่อนอยู่ใช่ไหมก็เรียนมาจากหลวงพ่อเป้นธรรมทารโละสมาธิเคลื่อนไหวแบบบางท่านหลายคนก็เคยฝึก่ามีไหมสมาธแบบนี้โยกแบบเรานี้แหละแต่ว่าเพริเยอเพริเยฟเยยนี้ยห้านิว้ว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 เคยไปบวชอยู่ที่ป่าสักระตตัวต น, นี้มาอยู่ป่าสักกะตัหมอพนมดรืยไงเนี่ยเขาถามว่าก็ฝึกแบบไหนมืก่อนฝึกแบบอาจารย์แป้นก็าฝึกแบบไหนเขาเล่นอะไรเขาก็อธิบายให้ฟังว่ามีการเล่นมโนวิญญาณนะคือคือมีมัิตาที่สามมาเพ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถจะเลื่อนไปตรงไหนก็ได้ร่างการนี่คือวิธีการที่จะแปลงตัวทุกเวทนาให้เป็นเพราะฉะนั้นการยืนอย่างเงี้ยคาเดวตลอด ใช่ไหมทุกก็เกิดเขาก็าสนุกในทุกอันนั้นเพราะเขาถือว่ามันเป็นทําให้เกิดพลังยืนเขาก็าแข่งกันว่าใครได้ยืนได้นานกว่ากันบางคนได้เก้าชั่วโมงคนได้เจ็ดชั่วโมงที่อาจารย์ทองร้องเก่งที่สุดได้ยีบสี่ชั่วโมงเลยวันโอ้โหเนี่ยถ้าคนมันจะทําอะไรสักอย่างมันทําได้ท่างนั้นแหละแต่ว่าใจเขาถึงอะ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราหลงเอาเวทนาเป็นตัวตนเนี่ยมันจึงเป็นปัญหา เพราะเวทนาตัวนี้ทุกเวทนากลายเป็นอะไรรู้ไหมทุกเวทนาเนี่ยเมื่อเราไปสําคัญมันเป็นตัวตนมันกลายมาเป็นมานะแต่ก่อนที่จะเป็นมานะมันทุกเวทนาทางกายก็มาเป็นทุกเวทนาทางจิตก็เรโทรมนัทใช่ไหมโทรมนัทมันก็เปลี่ยนมาเป็นปฏิฆะปฏิฆะก็กลายมาเป็นเวทพยาปาทะพยาปาทะก็เปลี่ยนมาเป็นโทสะโทสะมาเปลี่ยนเป็นโกทะโกทะมาเปลี่ยนเป็นมานะ เพราะฉะนั้นมานะก็มีถึงเก้าตระกูลกับเวทนาที่เราส่วนมาพิเคมันเก้าเวทนาทั้งเก้าใช่อหมมันก็มาจากเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็จะแปลงเป็นพลังของตัวทุกข์ขั้นละเอียดละเอียดลงไปเรื่อยๆอย่างนี้เพะนั้นเองเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงไม่มองข้ามเวทนาทางกายทั้งสามอย่างทั้งเบาทั้งหนั ก, นกและทั้งไม่เบาไม่หนัก ถ้าดูเห็นเบาปรับให้เบาอยู่ได้โดยที่ไม่เพลินในเบาไม่เสีบติดในเบาไม่เสีบติดในสบายตรงนั้นเป็นศีลถ้าเราไปดูทุกขเวทนาโดยที่ไม่แปลงทุกขเวทนาให้เป็นพลังงานต่างๆและไม่มีปฏิฆะในทุกขเวทนาและไม่หลงสําคัญทุกขเวทนาว่าเป็นตัวตนสมาธิเกิดนะ แต่ในเมื่อการเปลี่ยนผ่านการถ่ายพลังทั้งสุขทั้งทุกช่วงเทียลุบขึ้นขอการเปลี่ยนผ่านตรงนั้นมันยังไม่ชัดว่าเป็นสุขหรือทุกขตรงนั้นเราไปรู้ทันโดยที่ไม่เข้าไปสําคัญมั่นหมายความว่างเว้นจากสุขทุกขณะนั้นให้ชัดๆตรงนั้นเป็นปัญญาซึ่งรู้ได้ยากหน่อยเพราะฉะนั้นศีลสมถีปัญญาก็จึงมาจากตัวสุข ทุกทุกความสุขนั่นเองนะก็เปลี่ยนตจ ร, รักเพราะว่าสุขความสบายเนี่เกิดจากอะไรเกิดจากการเปลี่ยนใช่ไหมชั้นเราหนักๆเนี่ยพอเราเปลี่ยนป๊อสบายทันทีเลยใช่ไหมเป็นสุขเวทนาก็มาจากอะไรอันนี้จังนี้จังแปลว่า เ, เ, เปลี่ยนแปลงใช่ไหมถ้าเรานั่งนานๆไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยเป็นอะไรเป็นทุกขังใช่ไหมทุกขังตรงตัวเลย เป็นทุกขังกายก็มาเปลี่ยนเป็นทุกขเวทนาถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็มาเป็นทุกขงังถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ทุกขเพราะฉะนั้นอ น, นิจจังถ้าเรารู้ทันเป็นศีล น, นะทุกขังเรารู้ทันเป็นสมาธิอนัตตาเรารู้ทันเป็น ปัญญาถ้ารู้ไม่ทันอ น, นิจจังเป็นราคาเป็นสุขเวทนาอันเดียวกันถ้ารู้ไม่ทันทุกขังก็เป็นทุกขเวทนาเป็นโทสัปฏิฆะถ้ารู้ไม่ทันอนทุกขสุขเวทนาก็เป็นอนัตตาหรือเป็นโมหะในเวลาต่อมาเนี่ยมันจะโยงกันอย่างนี้ ดังนั้นเองในขณะที่เราทําเนี่ยเราจึงไม่มองข้ามความรู้สึกทางกายเป็นหลักเพราะถ้าเราไปทันตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการดับต้นเหตุของสายใหยปฏิเจติสุบารทั้งหมดเลยเรียกว่าเปลี่ยนหัวขบวนเลยจากอาวิชาเป็นวิชาสายใ ย, ยทั้งหมดขาดกระจุยหมดเลยนะสิบสองสายนี่นะแต่ถ้าหากไม่ทันตัวรู้ไม่ทันตัว อวิชามันก็ไม่ทันตัววิชาคือไม่ไม่ทันไม่รู้เท่าทันมันก็เป็นอวิชาลูกขบวนก็จะตามมาเป็นแถวเลยเป็นสุกโซ่เลยสิบสองขบวนการยังจำได้อยู่ไหมปฏิสุบาร์สิบสองขบวนอะ่ะต่ให้ท่องจำไม่ได้จำได้เป็นวังตัวเพรานั้นจะเห็นว่าทฤษฎีวิธีการหัวเทียนจึงมาตัดต้นเหตุเลยคือมาสร้างตัวรู้เท่านั้น นะมาสร้างตัววิชาเท่านั้นตัวรู้นี่ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวรู้ในี่ตรงชื่อดวงดวงเรียกว่ายานจากของอุทัพปิฏยานังอุทัพปิฏปัญญาอุทปัปิฏิวิชาทัติอโลโกโในธรรมจักนะเพรา ะ, ะนั้นมาสร้างที่เรามาสร้างนี้มาก่อกาลังของเกิดตัวยานให้กําลังตัวนี้ไม่มีกําลังนะแต่การรับรู้ตามตามหูจมูกเลื่อนกายใจเนี่ย รับรู้ไปทั้งหมด6ทางเนี่ยมันทําให้ญาณตัวนี้ไม่มีกําลังเพราะมันจึงได้เชื่อวิญญาณใช่ไหมการรับรู้ทางตาเรียกว่าอะไรโสะจักขูใช่ไหมจัคขูวิญญาณการรับรู้ทางหูเรียกว่าโสตวิญญาณการรู้ทางจมูกเรียกว่าคานะวิญญาณการรู้ทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณการรู้ทางกายเรียกว่ากายะวิญญาณการรู้ทางจิตเรียกว่ามโนวิญญาณมันกลายเป็นวิญญาณหมด แต่พอมารับรู้ทางใดทั้งหนึ่งที่เราเจตนาสร้างขึ้น <c oughs> วิญญาณทั้งหรวมมาเป็นเหลือเดียวกัน <c oughs> เรียกว่าญาณเรามาเรียกภาษาง่ายๆว่า <c oughs> รู้สิกตัวตัวนี้นะเนี่ยรู้สิกตัวเพราะนั้นเราจะเรียกว่าญาณคือมันลำดับเป็นชื่อที่พัฒนาไปจากสตินั่นแหละแต่จะเรียกว่าญาณโดยตรงยังไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอย่างสมว่า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 แต่สติก็คืออะไรเข้างอกนั่นเองอ่าเราก็มาสร้างตัวตัวนั้นแล้วตัวนี้สร้างไปรเรื่อยๆมัจะพัฒนาจากเข้างอกเป็นเข้ากล้าใช่ไหมจากเข้ากล้าก็จะเป็นเข้าต้นจากเข้าต้นจะเป็นเข้ า, าลูกออกเป็นมารเป็นลวงไปตอลอดไปเรื่อยๆเนะี่ยอาการที่มันแก่เป็นลวงแล้วนั่นแหละเท่ากับว่ายานมันก็พัฒนาไปจากตัวนี้ใจส่วนที่เราสร้างซ้ําๆสร้างๆมันจะกลายไปเป็นยานตัวไหน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 พเราเราเป็นผู้รู้อยู่ความเห็นความคิดมันกำลังคิดอยู่แต่เราไม่ได้ไปกับมันแต่ก่อนหน้าเราไปกับมันหมดเลยใช่แต่เราคิดเรื่องอะไรมาก็ไปกับมันหมดแต่เราไม่เคยที่จะไปเห็นมันคนละส่วนแต่พอทำไปนี้วันแล้ววันแล้ววันแล้ววันนึงมันเกิดจึงขึ้นมาอ้าวเห็นความคิดออกไปเห็นความคิดเข้ามาแต่ใจเราไม่ได้ไปด้วยนี่ตัวนั้นเป็นวันที่ข้าวถอดลวงละอะ เพราะฉะนั้นไม่มีขบวนการขั้นตอนชัดเจนนะในวิธีการที่พระญาณเจริญสรู้มาเนี่ยถึงว่ามันเป็นกระบวนการที่ที่ไม่ไม่มัว่วไม่ลักษณะดานโดนดาวเหมือนกันของพวกพราหมณ์นะเพราะฉะนั้นจุดนี้หลวพ่อเทียนท่านถึงฟันธงได้ชัดเจนมากว่าใครมาทําอย่างนี้อย่างช้าไม่เกินสามปีใช่ไหม อ, อย่างเร็วจะหยุดไม่เกินหนึ่งวันเลย เก้าสิบวันนะฟันตงชัดกว่ชีวิตชาว <laughs> ่าไว้อีกนะพุทธเจ้าอย่างชาดิที่เจ็ดปีนเพราะเี่เพราะว่ากำลังของการเคลื่อนไหวที่เกิดจากเคลื่อนไหวทั้งตัวเนี่ยมันมีกำลังมากกว่าลมหายใจใช่มชวพุทธเจ้าท่านประกาศว่าเจ็ดปีหมายความว่าถ้าดำเนินทาโลมหายใจนะเจ็ดปี แต่พ้องเรียนหูวงเทียนมาพบอาการเคลื่อนไหวทีนี้ถ้าเราบวกทั้งหลวงพ่อใจและเคลื่อนไหวจะเหลือเท่าไหร่อะไม่ใช่สามปีนะเหลือปีเดียวแน่นอนเลยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นทฤษฎีนี่มันประกันได้นะ <c oughs> ก็อยากจะให้พวกเราทําแบบศึกษานะ <c oughs> ไอ้รู้ไม่รู้ก็เป็นอีกเรื่องนึงให้ศึกษาไปแต่เมื่อวันไหนถ้าเราศึกษาเข้าใจมันนี่มันรวดเดียวนะรู้หมดเลยนะ แต่ถ้าเราไม่ศึกษาเะก่อนนะโอ้โหมันรู้แล้วก็มก็ลืมรู้แล้วก็ลืมซ้ำไปซ้า ม, มาอย่างงั้นแหละเพราะอะไรเพราะมันไม่มันเก็บรายละเอียดไม่หมดเพราะเราจะไปเอามันแต่ถ้าเราเพื่อการศึกษาเนะี่ยเรารู้แล้วก็ปล่อยใช่ไหมรู้แล้วก็ปล่อยแล้วรู้แล้วไม่เก็บอ่ะดูเขาปล่อยมันก็รู้ได้เยอะกว่าสิใช่ไหมแต่ถ้ารู้แล้วเก็บเก็บเก็บก็มาไปไงมันก็หนักใช่ไหมไม่อยากรู้ต่อไปแล้วมันอิ่มละอ่าแต่รู้แล้วก็ปล่อ ย, ม, อ ย, ม, อยมันก็มีเรื่องที่จะต้องรู้ใหม่เรื่อย เอออันนี้ความคิดนี่มารู้ละปล่อยความคิดราคามาเอรารูลลาล้ล้ปล่อยไปโทรศัพท์มารู้ ล, ล้ปล่อยไปโมหฮรู้ปล่อยไปดีใจเสียใจรู้ล้วปล่อยไปแต่ถามว่าปล่อยง่ายไหมโ ย, ยมสมนึกไม่ง่ายเลยเนาะติดอารมณ์แค่ลูกชายคนเดียวนาะสามวันสาคืนไม่ยอมบอกเลยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยที่มันยากตรงนั้นนะ่ะแต่ถ้าเราแยกความคิดกับความรู้สึกออกจากกันแล้วมันง่ายมันปล่อยง่าย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 เห็นชัดใช่ไหมว่า <He> ต <conna ît> <is> ัวรู้ตัวเนี้ยมันอยู่ตรงไหนคือเมื่อก่อนนี่ก็รู้แล้วมันเป็นเราอ่ะแต่เดี๋ยวนี้รู้มันไม่ใช่เรารู้มันคือรู้แต่ผู้หนักนี่ไม่ไม่ใช่รู้ผู้หนักผู้เบาเนี่เป็นรูปใช่ไหมล่ะแล้วก็ผู้คิดผู้นึกก็ไม่ใช่ตัวรู้มันคืออะไรนามารูปอ่าเมื่อก่อนไม่ว่ารูปหรือนามวารูปความคิดมันเป็นอันเดียวพันกันหมดเหมือนข้าวอยู่ในเม็ดอะทั้งกากทั้ง เม็ดทั้งแก่ทั้งลำอยู่ในเม็ดเดียวกันหมดแต่เดี๋ยวนี้พอไปตำไปร่อนไปเสียมาแล้วนี่มันมันก็แยกไปกากไปพอกากแบบแก่ไปพอแก่ลำไปพอลำสารข้าสารไปพอข้าสารอันนี้คือข้อดีของการที่เรามาตอกย้ำในการสร้างจังหวะนี่มันทำให้เราเห็นอะไรชัดเจนนะเองเวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยต้องฝึกใช้นะ ไม่ใช่ว่าเออปฏิบัติแล้วเดี๋ยวมันก็รู้ของมันเองเนี่ยไม่ได้ต้องฝึกใช้ด้วยสมมติเรานั่งสร้างจังหวะเดินจุกมแล้วเนี่ยเวลาเราจะเดินไปไหนต้องฝึกเดินเพื่ออะไรเพื่อให้มันมีสติแต่ถ้าเราไม่ฝึกเดินเนี่ยอะไรจะเข้ามาแทนดูไหมอะไรเข้ามาแทนความเคยชินเพราะเราเดินมาไม่รู้กี่พพกี่ชาติแล้วใช่ไหมไปทางนั้นก่อนนะี่ เพราะฉะนันทุกครั้งที่เราจะเดินก็ต้องตั้งสติแล้วมันก็จะเดินนั่นกันนั้นกันฝึกใช้สตินั่นเองอะไรก็ตามที่ฝึกบ่อยๆสีนั่นเป็นไงเกิดทักษะความชนินช้ำนานความชนินช้ำนานในการใช้นามธรรมเราเรียกว่าญาณปัญญาความชมนินช้ำนานในแง่ของรูปธรรมเราเรียกว่าอะไรช่างเข้าไหมอ่า ชำนิชำนาญเรียกว่าเอ็กเซเพียบ้างเรียกว่า Skill บ้างเรียกว่าชำนิชำนาญบ้างแต่มันเรียกาภาษาเราว่าช่างมันเป็นอะไรก็ตามที่มันชำนาญเรื่องไหนก็เรื่องช่างนั้นเองใช่ไหมช่างเหล็กช่างปูนช่างเกีลยอช่างทองหมอเขาเรียก่าช่างอะไร หมอนี่ยเขาเรียกว่าช่างมันเออแล้วปล่อยมันทําไปมันไม่ผีกุญายมันจะพา่าเรามันจะแทงเราไงก็ช่างมันนะพระแต่คนอื่นไปทำไม่ได้นะที่ไม่ใช่หมอใช่ไหมเพราะเราเชื่อผีมือว่าช่างมันนะมันทาไปไม่ใช่ช่างหมอนะแต่ถ้าหากว่าเป็นพระเราก็เรียกอริยะเนะี่ยผู้ชํานาญในเรื่องนั้นๆในเรื่องของจิตนะชนานาญเรื่องเร่องจิตตอนนั้นจึงบอกว่าให้ศึกษา พระพุทธเจ้าเขาบอกว่าอยากจะเอาชนะไตรลักษณ์ก็ต้องศึกษาเรื่องไตรสิกขาสามอย่างศีลสมผัสปัญญาเมื่อชํานาญในเรื่องศีลสัมผัสปัญญาที่ตั้งแล้วเอาตัวเนี้ยไปแทนค่าของไตรลักษณ์คือนิ่จังทุกขังหน้าตาที่แทนค่ามาไมื่อกี้อแบบเดียวกันตัวไหนที่จะทําให้เกิดการแทนค่าไดค้คือตัวรู้ใช่ไหมตัวสติที่เราฝึกเข้าไปเปลี่ยนค่าแทนค่ากัน นี่อันนี้ก็จึงง่ายขึ้นนะอ้าวต่อไปสอบอารมณ์รอบสองเนี่ยรอบแรกจ่ไปแล้วนะได้เวลาสองวันอาจารย์พิทักษ์เป็นไงบ้างวันนี้ลืมได้สติบ้างหรือยังลืมทันลืมทันอะไรใช่ไหมอยู่ความจริงเขาต้องการนวดให้กายมันนุ่มเลยแหละเพราะว่ามันจะได้มันจะได้ความเคยชินมันจะได้ไม่ครอบงำนะ ให้หนักๆเอาไว้หนุ่งๆเอาไว้แหละไม่งั้นถ้าความเคยชินมันมากเนี่ยเหมือนมันเหมือนว่ามันง่ายเลยกูเนี่ยนะแต่ถ้าสมมติว่ามันหนักหนุ่งถ่งทับการเคลื่อนไหวแล้วก็ค่อนข้างแย่อ่ะนุ่มนๆขึ้นอ่ะะปรการท่านบอกว่าผู้ปฏิบัติต้องทาตัวเหมือนคนป่วยใช่ไหมทำตัวเหมือนคนป่วยคือหมายความว่าจากการจะเคลื่อนจะไหวเนี่ยคนป่วยเป็นไงระมัดระวัง ใช่ไหมแบบเดียวกันจะกินจะอะไรดราก็ต้องร้องว่าเราฟังเหมือนกันนักปฏิบัติจะต้องทําอย่างนั้นมันทำตัวมันคนป่วยแล้วมันจะเกิดกันไม่ประมาทขึ้นมาอันนี้ส่วนหนึ่งก็คิดว่าวันนี้เริ่มได้อารมณ์นะใช่ไหมการเคลื่อนไหวอาเป็นจังหวจะจากคนมากขึ้นไม่กระวุดกระวาดเหมือนก่อนเมื่อไหร่นะอ่าคอยคนขึ้นอันนั้นคือหมายพอเริ่มความคิด ใจของเราเริ่มเข้ามาแล้วอันนี้ก็ต้องพยายามสังเกตไปเรื่อยๆเนะี่ยแต่ให้มันผ่านขั้นตอนขบวนการอันนี้ก่อนขบวนการอันนี้เหมือนกับว่า อ, อ๋อที่ว่าไว้เบืองก่อนนะว่าร่างกายของเราอายนะุรณะเหมือนอายุรณะของสัตว์ทั้งหตัวเนี่ยไปมัดติดเสาแล้วติดขอสักขอ น, นึงแต่สัตว์แต่ละตัวมันก็จะวิ่งไปตามทางที่มันคุ้นชินใช่ไหม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 มันจะไปไม่ไปกับมันมันจะลุกมาอยากลุกกับมันอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนไม่อยากเปลี่ยนกับมันนะเนี่ยขอพยินยันเอาไว้ก่อนแต่ถ้าอยากลุกก็ไปเลยอยากเดินก็ไปเลยก็เหมือนว่าสัตว์ตั้งหูมันดึงไปแล้วอะใช่ไหมไม่ทันมันอันนี้เราทันมันไม่ไปกับมันทุกครั้งมันก็หลักมั่นคงอมันก็ทําให้กีรติมันอ่อนตัวได้นะถ้าคุณเกียรติสีคนไหน ว่าชื่อมันผู้ชายเลยนะคุณน่ะสํารานสํารานเวชพร น, นะคุณเกศคุณเกศศีแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้ดีกว่าเดิมไหมประเมินตัวเองว่าต้องหน้าไหนเห็นความพยายามของคุณอยู่นะอะเลือกปรับเปลี่ยนดีบุตรได้เรื่อยๆแต่เมื่อก็เป็นเป็นข้อดีอะทาให้เราไม่อไม่ประมาทนะ ทำให้คอยรามาระวังแล้วก็ปรับก็หามันให้มันพออยู่ได้มันก็ดึงใจมันได้ง่ายใช่ไหมความคิดปรุงแต่งยังเยอะอยู่ไหมต้องแล้วนะมันก็ต้องเกิดต้องดับต้องต้องเดี๋ยวหยุดเดวเกิดอยู่งั้นแหละเพียงแต่รับรู้มันเท่านั้นเองเราจะไปห้ามไม่ให้คิดก็ไม่ได้จะให้มันหยุดคิดไม่ให้มันคิดจะ้มันอยู่ตลอดก็ไม่ได้จะให้มันคิดตลอดก็ไม่ได้แล้วแต่มันจะ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 คอยปรับสุขปรัทุกให้มันออกไปเรื่อยๆมีความคิดเข้ามาก็ปรับเข้าปรับออกได้ลักษณะเข้าไปจัดการอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้ดูอ๋อก็ต้องก็ต้องก็ต้องทําไปเรื่อยๆเม็ดข้าวพึ่งมาหมักวันนี้จะให้มันเปลี่นต้นพุ่งนี้มันไม่ได้ไม่จะอาศัยหลายเดือนก็จะเป็นต้นข้าวได้ใช่ไหอคุณก็ต้องอใจร้อน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 เราไปแล้วก็แยกตัวรูกออกมาเป็นผู้รู้คิดไม่ใช่เป็นผู้คิดเป็นผู้เห็นปวดไม่ใช่เป็นผู้ปวดเมื่อก่อนนี้เรากัคนปวดคนเดียวกันใช่ไหมพอปวดขึ้นมาเราเป็นไงงุหนีําคานเบื่อหน่ายแล้วก็ลุกหนีใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เรากลับไม่รู้ อ, ะอ่ะอ่าแสดงว่าเรามีการแยกตัวออกมาดูเราถึงจัดการมาได้ใช่ไหมเมื่อก่อนเรารู้สึกปวดขาปั๊บแล้วก็ทําอะไรหนึ่งให้มันหายปวดก็แล้วแต่ เพราะเราคิดว่าการปวดการหนักนั้นเป็นเราอะแต่พอมาถึงวันนี้เราเห็นว่าการหนักการปวดมันไม่ใช่เรามันก็คืออาการอันหนึ่งของกายแล้วก็คอยบาบัดมันแล้วก็เอาประโยชน์จากมันใช่มมันก็ตัวรู้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจับได้แค่นี้อย่าให้ตัวรู้มันบลุ่มมันไม่ได้ต้องสั่งสมไปเรื่อยๆแล้วคุณไปทำการทำงานเนี่ยถ้าจิตของเรามันหลุดไปเกินหซตนะ ตัวรู้มันก็จะอ่อนไปเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเก็บไว้ที่ตัวเองห้าสิบเวลาไปทํางานจ่ายกับสิ่งที่เราทําสักห้าสิบเนี่ยแต่ถ้าบอกว่าเสี่ยงห้าสิบห้าสิบใช่ไหมเพราะอะไรกันไหลออกมันง่ายมากเพราะฉะนั้นเผื่อท่านบอกสาสิบเจ็ดสิบก็แล้วกันเอาไว้ที่ตัวเองแค่เจ็ดสิบเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อไหลไปก็ไม่เกินยี่สิบก็บาลานซ์พอดีอห้าสิบห้าสิบฮะอ่าไม่ไม่ใช่ดิอยู่คาร์ต้องเจ็ดิบ ออยังไม่ได้ก็แสดงว่ายังบาลานไม่ได้ ต, ต้องต้องพยายามต่อไปอยู่ให้เราสักเจ็ดสิบแต่สามสิบมันก็หมาความั่าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งข้างนอกสักเจดสิบแล้วใช่ไหมอ่าหลุดแล้วก็หมดเลยเนี่ยสามสิบมันนะไม่เหลือเลยนะหลุดแล้วก็ไปเลยอัอนนั้นคือต้องเพราะนั้นถึงบอกว่าสต๊อกไว้ที่เดิมสักเจดสิบก่อนถ้ามันไปเกี่ยวข้องสักสาสิบถ้าจะมีการหลุดก็หลุดชั้นยี่สิบ ก, ก็ยังพอทันอ๋อไม่ยากหรอกทาบ่อย คุณเคยเห็นแม่ค้าขายของในตลาดไนะเมื่อก่อนนี่หยิบของนีต้องดูตาช่างอะ่ะมันกี่กิโลหยิบทุกวันทุกวันต่ไปมันหยิบใส่เป๊เปะเลยใช่ไหมมันรู้เลยมือใช่ไหมเออไม่แต่ถ้าจะไม่ดูตาช่างอะ่ะจับใส่พอดีเลยว้าทำไมทำไมไม่ค้ามเก่ง ก, ก็ไปทำทุกวันะนะมันก็เกิดอะไร c o m ม o นเ e น s e อ่ะเกิดทักษะหรือแม่ครัวเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ชนานาญจะ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 เออมื่อนานคือก็ชำนาญชำนาญหรือทักษะนี่เลยเรียกว่าญาณเราไม่ใช่คำว่าทักษะหรือเอ p e ซ i e พ c e ใช่ไมอ่าต่อไปคุณธพิธธพิธหอ อ, อยู่ข้างหลังวัฒนาถาวรเป็นไงบ้างวันนี้เริ่มนิ่งหรือยังไามา่เคยล้มแล้วนะ เมื่อวานก่อนยังเห็นล้มไปล้มลุกคู่คานอยู่วันนี้เห็นนิ่งๆอยู่ก็คงจะเข้าที่เข้าทางแล้วนะก็บอกแล้วไม่เกินสามวันนกะิเลสมันจะเล่นงานเราเนะี้ยพอวันที่สามมันก็เหมือนสัตว์ทั้งโหกมันดึงไปดึงมาเม่เกินสามวันก็เหนื่อยแล้วเพหลักให้แน่นถ้าหลักไม่แน่นก็ไปกับมันอยู่แต่ว่าเห็นอะไรชัดเจนขึ้นกว่าเดิมไหมความง่วงเป็นไงหายไปอ่ากระเด็นไปใช่ไหม แล้วก็ความฟุ้งซ่านน้อยลงไหมไม่เคยฟุ้งนะวิทานาก็บอบบางาปรับมันทันันดับนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมันตั้งหลักได้แล้วเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเยอะเพียงแต่ว่าเราจะทำให้มันชำนาญได้ไงต่อไปมันไวเสมอเพราะโอกาสที่เราจะไปใช้เนี่ยมันเผลอบ่อยใช่ไหม แต่ที่พอมันชำนาญถึงจะเผยเแตกก็กลับมาได้ไวเขาว่าชำนาญไหมคขาว่าเหมือนกับคนที่เข้มแข็งอะลมปั๊บมันก็ลุกได้ทันทีใช่ไหม <c oughs> ชำนาญชำนานในการที่จะตั้งสติไม่ใช่ทางานอะไรหรอกเผอไปปับ๊บตั้งสติบางเรื่องเมื่อก่อนเวลามีกระทบในลักษณะที่ไม่พอใจก็ขุนมัวไปตั้งนานใช่ไมแต่พอเราชนานาญปับ๊บรู้สึกขุนมัวปับ๊บสลัด เลยคือชนานาญแบบนี้ชนานาญในการตั้งจิตมาตั้งในปกติแบบนี้ทุกก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานหมายถึงชํานาญแบบนั้นอนคุณสมจิตส่วนนวง์เออเป็นไงสมจิตวนันนี้จนบ่ายเย็นๆหน่อยชั่เอามาใช้ในการปรับ ความสมดุลนะ่ะคุณฤทธได้ดู S K T ของหลวงพ่ออะไรยังอเอามาแทนเรื่องท่องท่าเลยนะปีนี้ามาพีนี้อัปเกรดไปเรื่องจากเรื่องท่องท่าเป็น S K T แล้วน ะ, ะบวกเดอะไฟทิทเบต e ทียนไลท์ก็คิดว่าคุณสมจิตมีทักษ มีประสบการณ์มาบ้างแล้วนะในการแก้ลมอุดอินแต่ที่นี่ว่าถ้าจะให้ดีนี่อยากจะให้สร้างจังหวะช้าคนนิดนึงแต่ที่หลวงพ่อบอกไอ้เคทีเพื่อที่ให้สร้างจังหวะก็ลมหายใจสัมพันธ์กันเองแต่คุณก็รูส้สึกว่าสร้างจังหวะยังไวยอยู่ใช้ลมหายใจหลวงพ่อเราไม่แน่ใจว่าลมหายใจกับจังหวะไปไปคนละทางหรือเปล่าลก็คือสำหรับตัวเองตอนช่วงเด็กที่เราคุมหายใจอพอเพราะว่ายาวไปเหนื่อย เอาแค่ครึ่งเดียวหายใจเข้าจิตหายใจออกจิตเอาไม่หมดแล้วอนเอาไมาเท่ไหรเพราะฉะนั้นเองเอาเอาแค่จิตหายใจเข้าชุดหนึ่งแต่แล้วมันยังไม่ได้ชุดก็สโ ล, ลว์ดาวเยปรับปรับข้าหากันเอา มันมีการผสมเอสเคทเข้าไปแล้วที่เขาจะว่านี่หลักการนี้เพียนอยา่างเราพูดเียนแน่อนอนเลยนี่ยพ่อที่เขาจ้องเล่นงานอัตมาอยู่ก็หลายคนอยู่กันอะไรก็ได้เห็นว่าอทฤษฎีของใครนะตึงเสียวผิงเรื่องอะรนะไม่ใช่ดิมุยยาวางอ่ะ แมวเสียอะไรก็ได้ขอให้จับหมูได้ก็แล้วกัน <c oughs> คุณจะใช้แบบไหนก็ได้ขอให้รู้สึกตัวแล้วกันคนละ้ายๆการทำนองนั้นนะขอให้รู้สึกตัวชัดๆกันเลยคุณจะใช้แต่ในขณะที่มันมีปัญหาเท่านั้นนะที่ว่านะไม่ใช่คุณจะใช้เลอะเทอะไม่ใช่อย่างนะั้นนะในขณะที่มันปกติที่ไม่มีปัญหาอะไรคุณก็ยกมือสร้างจาังหวะเดิจกกนจังปกติไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันมีความม่วงความเบือ่อความเซึ้งความขี้เกียจความฟุ้งซ่านอะไรเ ข, าาข้ามาก็หาวิธีแหละอันนี้ไม่ผิด หือว่าเครื่องมือนะเอาใช้มาเป็นเครื่องมือเครื่องมือชิ้นไหนที่แก้ไขได้ไวก็ใช้อนั่นแหละนะอันนี้คือให้จะเข้าใจความหมายพอเดี๋ยวนี้หลวงพ่อมาหาเลือกเท่าเหมือนว่าเอาอะไรอะไรปนมั่วหมดเลยโดนแน่ๆในงานนี้นะฮะวันนั้นก็ต้องช่วยกันหน่อยก็แล้วกันว่าให้เข้าใจให้ถูกว่าเราเอามาใช้เป็นเครื่องมือในขณะนั้นๆที่มีปัญหาเท่านั้น ไม่ดีกว่าเราจะไปนั่งง่วงตั้งหลายนาะทีเสียเวลาดีฟุ้งสั้นไปทั้งครึ่งวันเงี้ยมันเสียเวลาเครื่องมืออะไรขนาดนั้นที่มาแก้มันหลุ ด, ดมันขาดไปได้ก็ทำแล้วกลับมันหมดปกติเท่านั้นเองอันนี้คือความหมายที่มาใช้นะอ้าคุณละไมอ่ยุมตายุมตาไปไหนอยุมตาอ่าวันนี้ ดึงท <arded> ั <bağ S 1> ้งคนเก่าคนใหม่เยไม่แยกแล้ววันนี้ตอนนี้มใกล้เคียงกันแล้วคนใหม่พัฒนาได้ไวมากเลยคนเก่าทำท่าจะไม่ทันโยนลมโยมตะเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ก็ดีกาเนี่ยไปเรอเพอะไรพราะกลัวเขไปแย่งลมเอาว่ะว่าเลันทายชัดเจนเลยเนะ นิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ไข ใ, ใหม่เสบงสบลงนะ <c oughs> นี่นเดียวขนนะั้นเราให้เรารู้สึกเลยว่าเออ ม, มันมันมีก็ดีนะรู้ทันนะนเพราะหลายหลายอย่างเราก็ไม่รู้ทันก็เยอะอยู่ใช่ไหมแต่เริ่ม ร, ร, ร, นะรู้ทันไปเรื่อยๆตั้งแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆจนไปถึงปัญหาใหญ่น่ะรู้ทันไปเรื่อยๆ จนในที่สุดวันหนึ่งถ้าหาว่าสติสมญาเราเข้มจริงๆตรงนี้เขาเรียกว่าสารตั้งต้นของศีลที่รู้จักว่าเอออันนี้มันเป็นละ ร, รู้สึออายนี่นะนี่แหละสารตั้งต้นของศีลปรมัตดนะไม่ใช่ศีลธรรมดานะพระยังไม่ค่อยมีเลยศีลปรามัดศีลนะปรมัดคืออะไรฮิลิอตุตภะใช่ไหมอายชั่วกลัวบาป อันนี้ก็ดีนะถือว่าเป็นการพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งรู้เท่าทันแม้กระทั่งความอยากเล็กๆเลน้อยอาคุณเพชรว่าไงดีขึ้นกว่าวันแรกดีขึ้นนะก็ ค, คิดว่าตามสูตรนี้เขาว่าสามวันเนี่ยส่วนใหญ่ได้อารมณ์กันหมดนะอันที่สามเพราะว่าเรามีการปรับสูตรใหม่เนี่ยมันก็น่าจะได้อรารมณ์โดยเฉพาะเรามาทำกันต่เช้าสองชั่วโมงนี่ถือว่าเออเยอะนะ เพเป็นช่วงเ ช, ช้าช่วงที่กําลังสดใสบริสุทธิ์ใช่ไหมเพราะนั้นเราเติมตัวรู้เข้าไปมันที่จะฝังซึงมซาบได้ลึกทีเดียวมันก็จะแรงผ่านไปทั้งวันอ่ะมันทําให้นั้นก็อันนี้ก็เรียก ว, ว่ามาค่อยมีเพราอีกอย่างแล้วก็คุณเพชรก็ขยันนะพระมวลความเพียรได้ต่อเนื่องเรื่องง่วงไม่มีเรื่องฟุ้งซ่านไม่มีเรื่องเบื่อไม่มีเรื่องมีนิดหน่อยออฟุ้งซ่านมีบ้าง บ, บ้าง บางทีมันก็มีดบบชนคิดบาทมีมีแอบคิดอ่ะลักคิดครับเรารู้ตัวแล้วแต่มันก็แอบคิดเบาๆก็ธรรมดามันก็ต้องมีของเล่นบ้างนะเนาะให้มันเกาะเกี่ยวบ้างย่าให้มันหมดทัน ท, ทีเอาไว้เป็นอารมณ์เขาเรียกว่าฐานที่ตั้งของอารมณ์ก็คือตัวตัวนี้แหละตัวจิตทํางานคือมันต้องรับรู้อารมณ์เพราะหลวงพ่อเคยบอกหลายครั้งว่าคําว่าความคิดมนมีสามลักษณะ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 กำกับมันจะกลายเป็นตัวที่สามทันทีเลยเขาเรียกว่าสังขารสังขารและจิตนั่นคือดักปรุงรักคิดเพ้อคิดเลื่อนลอยไปเรื่อยๆปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเช่นสมมุติว่าเราไปเห็นรูปอะไรสักอย่างหนึ่งเราไม่ทันกำหนดรู้ใช่ไหมมันก็ไปกับรูปนั้นเลยยาวเลยเปรียบเทียบไปอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราทันสองตัวนี้ไหม ความคิดที่จะทําน่นทำนี้ถ้าคิดแล้วจบไม่เป็นกลายเป็นสังขารทำมาลุไม่ทันตามกำหนดลุลกลายเป็นสังขารเพราะนั้นสังขารเป็นเงื่อนไขาจากสองตัวเนี่ยว่าเราไม่ทันสองตัวเนี่ยมันต้องไปเป็นตัวที่สามอ่าแต่เราก็เพียงแต่เออถ้ามันเป็นตัวที่สามเราก็กลับรู้ให้ทันแต่มันมันยากหน่อยเท่านั้นเองอ่าแ ต, ต่รู้ทนทันตัวที่หนึ่งที่สองมันก็ง่ายแต่ตัวที่สามเนี่ย มันไปเร็วนะเผื่อไปยาวเลยอ้าวต่อไปโยมประจวบไม่ไปจวบบอกให้โยมเอาไปทำเอสเคทหน่อยทำไม่เป็นเลยแต่ไปจะคุยกันเรื่องอะไรนะพลังทิปธรรมกายไป น, นู่นเลยนะแต่คุยแล้วทำเนี่ยอเคทีที่สามให้ทำช้าๆหน่อยคือคือรับพิมครับฮะ หลังไม่ดีอยู่เออหลังไม่ดีนึกว่าติดท้องก็ไม่รู้หเง่าย ห, <c oughs> หลังเจ็บนะเอ้ยงั้นตอนเช้าที่ยกขาขึน้นก็หนักนก็เจ็บด้่างั้นนะจนเชา้านั่นนะเท่านั้นก็ไปโอ้ผู้นี้ยกเว้นให้กัแล้วกันไปทำเองข้างล่างมันมีทาแลมีหลายท่าที่จะรย์ใช้หลังก็ในการ ดูแลเรื่องคืออยากคนที่วงไหนๆเนี่ยอจอนเข้ามาในวงวงจรของธรรมาเนี่มาอยากจะให้ร่างกายเข้มแข็งนะถ้าใครร่างกายยังไม่เข้มแข็งมีทีท่าว่าจะร่างกายไม่ค่อยดีเนี่ยมาจมทูซีบอกบ่อยๆ อ, ยอยงนั้นนะเพราะอะไรเพราะถ้าถ้าเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นงานชิ้นโบแดงของเรานะใช่ไหมเราไปสร้างไปแข่งอะไรดีที่สุดก็ไม่เท่ากับเราจะมาทําตัวเองให้มัน มีพลังขึ้นทั้งการทั้งใจเนี่ยเป็นงานชิ้นบแดงเราสามารถขยายอายุออกไปได้สามารถขยายความไม่เจ็บป่วยออกไปได้นี่ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมนะจะอยากจะเห็นนะเพราะเราแต่ละคนที่มานี่ถือว่าเป็น <c oughs> เป็นเสาหลัก <c oughs> ของครอบครัวของสังคมของกลุ่มเพื่อนเพราะมันไม่ได้มาได้ทำได้ง่ายง่ายแต่ในเมื่อเรามาแล้วก็ต้องให้เห็นผลให้ชัดๆว่าได้อะไรไม่ได้อะไรนะ ก็ไปยัง <sm ug saturated> ั้นแง่มาเห็นไม่ได้อะไเป็นเรื่องเวลานี่แมวเสียเวลาน่าดูเสียชื่อบาโดนนะต้องต้องทำมาให้ให้เข้มแข็งขึ้นอย่างน้อยนะก็คือเอาไปใช้ให้เป็นนั่นเองนะที่เขาว่าเข้มแข็งนะบางทีเมื่อเจริญสติแล้วจบแล้วก็จบกันกลับไปบ้านก็ความเคยชินทำเหมือนเดิมผู้อย่างเนี่ยเท่ากับไม่ได้มานลยนะเอาไปฝึกใช้เป็นเดินไวก็เดินช้าลงใช่ไหม พูดมากก็พูดน้อยลงกินมากก็กินน้อยลงอย่างเงี้ยนะเคยกินแต่อร่อยก็กินหัดกินไม่อร่อยบ้า ง, งนี่แสดงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นล้วอ่าเปลี่ยนแปลงขึ้นนอนไม่หลับก็นอนหลับดีขึ้นนี่นะนอนไม่ค่อยหลับก็นอนหลับได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยถือว่าพัฒนาการอาบน้ํานานๆก็อาบสั้นขึ้นอย่างงี้ย <laughs> อาบน้ำเป็นชั่วโมงก็เหลือสักห้านาทีสิบนาทีเ ท, ท่านั้นนี่ยนี่เรีย ว, ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนั่นถือว่าได้ใช้สติละ โยมเปลี่ยมสุขเป็นไงบ้างวันนี้ชื่อนี้ไม่น่าจะทุกเลยนี่เนี่ยเปลี่ยมสุขนี่เนาะเปลี่ยมตลอดใช่ไหมหรือว่าตรงข้ามกับชื่ออันนั้นเห็นไ่มแม้แต่นิดเดียวก็ได้ไม่ได้นะหลงดีเนี่ยนะเนี่ยที่ว่าบกว่าดีก็ไม่เอาช่วเอาพราอย่างเงี้ยเพราะทางฝ่ายก็ทําให้หลงได้เหมือนกันอแต่เอามาได้ให้ข้อเกณฑ์ตัดสินเอาไว้ว่าว่าดีหรือไม่ดีอยู่ที่พอดีนะอ่า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 เออรัสณะนี้กับว่ามันอยู่ได้นานนะอะไรก็ตามที่มันเป็นความผ่อนคลายความสบายความปลอดปล่งพยายามซึมซับแล้วกศึกษาในสภาวะนั้นให้ชํานาญแต่ว่ามันเสี่ยงต่อการติดยึดถ้าเราไม่มีประสบการณ์นะมันเสี่ยงต่อการอยากเอออยากจะให้มันเป็นอย่างนี้นานๆพรรู้สึกมันหายไปก็เสียดายอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเราไปยึดนี่แหละแต่แเราเราศึกษาอยู่กับมันดูว่าเอมันหายไปยังไง มันดำรงอยู่ยังไงมันเกิดขึ้นยังไงตั้งอยู่ยังไงคอนสบายสภาพักหนึ่งความไม่สบายเข้ามาแล้วก็ศึกษาต่อไปเลยโอ้ความไม่สบายเกิดขึ้นอย่างไรมี่กี้ยังสบายเลยก็ดูตามไปเรื่อยๆเงี้ยจิตของเราก็จะเริ่มสมดุลละพอจิตสมดุลปับ๊บสิ่งที่เป็นฝ่ายบวกเข้ามาก็ทาให้สมดุลสิ่งที่เป็นฝ่ายลบเข้ามาก็ทาให้สมดุลได้อันนี้คือ ของการรู้เท่าทันทั้งสองฝ่ายเพราะสองฝ่ายเนั่นที่ได้กล่าวเมื่อวานนะ่ะต้นกําเนิดมาจากอะไรนะทั้งดีทั้งไม่ดีเนี่ยมาจากอะไรหรือมี ล, มละมาจากทําท่าจะนึกออกแล้วใช่ไหมต้นกําเนิดของสรรพสิ่งมาจากของกี่อย่างของสองอย่างคืออะไรเกิดกระดับแค่นั้นเอง ครั้งที่มันมีอะไรสับสนกลับไปตรงนั้นเสมออย่าลืมนึกถึงคำว่าการเกิดดักนะเพราะตัวนั้นจะเป็นสารตั้งต้นของสรพพสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบนะนิชัยเาจุตูปปาตยานะพอคนพบอยู่นี้ปับอะไรเกิดขึ้นปับ๊บกลับมา อ, อ๋อเห็นของทันทีเลยมันจะมีแค่ของสองความรู้สึกเดียนสบายไม่สบายหนักเบาดีชั่วสุขทุกข์ มันจะมีอยู่แค่นั้นอ้าวจะไประวิการครอบครัวนี่มาทั้งครอบรัวเลยเนี่ยเป็นไงบ้างวันนี้อ๋อเหรอนี่วันที่สามเธอน่าจะเบาแล้วใช่ไหมเนี่ยคำไม่เบาแสดงว่าตั้งต้นใหม่นะเนี่ยพเพ่งเนี่การให้มันหายและการให้มันอยู่ได้านาน อาการ้นมันหายหอาหายอะก็จะจะไปนั่งเพลงเสียเวลาก็ลุกขึ้นเดินสักรอบสองรอบมันก็หายแล้วใช่ไหมนั่นอยู่ที่วิธีแก้ถ้าแก้ไม่ถูกมันจะติดหนักกว่าเดิมถ้าแก้ถูกมันจะหายไวนั้นไม่ต้องไปนั่งนั่งเพลงมันเพื่แก้ลุกขึ้นหรือว่าทำเอชเคทีสักพักหนึ่งใช่เอมนั่นเดีเธอไม่ลืมไประไปติดตัวนั้นและตัวอื่นไม่ปรับหาใช่ไหมมัต้องปรับนี่เขาเริ่มมีสติและขาด ส, สัมพันญา ขาดตัวทั่วพร้อมเลยปรับไม่หมดมันก็ไปตกค้างตรงนั้นอันนั้นก็ถ้าเราเพ่งอะไรสักอย่างมันทําให้ลืมอีกส่วนหนึ่งที่เราร่างกายมันไม่ได้รับรู้กับเรามันก็ทําหน้าที่มีหน้าที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎครัง้งแต่ละมันก็เปลี่ยนนะหนักหน่วงทวงทัพมันก็จะไปเอฟเฟกต์เส่วนอื่นใช่ไหมเมื่อเกิดหนักเกิดแน่นเกิดอึดอัดขึ้นมาเล่นลงเขาโดยไม่สะดวกใช่ไหม เธอน้ําหนักนั้นเท่าไหร่มันทับลงไปเลือดลมที่มันผ่านโฟลอย่างดีนะพราะนานเข้านันเข้าก็เริ่มตีบตันลงไปเลือดลมจะเดิมมันก็ไปไม่ได้แมันก็เอฟเฟคต่อร่างกายในส่วนอื่นแต่เพื่อขยับให้เลือดลมผ่านนิดไปไงมันก็ทุกอย่างก็ทํางานปกติใช่ไหมแก ง, ง่ายเนะี่ยเพราะฉะนั้นหลพ่อหลงว่าการเคลื่อนไหวเนี่เป็นอะไรหลายหอย่างที่มันแก้ไขปัญหาได้ง่ายๆแต่ว่าถ้าหากว่าเราขาดสติก็ก็ไม่เป็นประโยชน์เหมือนกัน ก็ต้องปรับสติให้เท่าทันอ่าคุณมารีเป็นไงวันนี้มาเที่ยว น, นี้ได้อารมณ์ไวไหมวันนี้เป็นไงบ้างไปนะนั่น่องเพราว่าสังเกตว่าได้อารมณ์ไวนะเพราะว่านิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเพราะว่าตามรู้ <c oughs> ตามรู้ได้ตลอดใช่ไหมมีความตัง้งใจนะสังเกตมีความตั้งใจกว่าเขา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 ในอีริบุนอกอยริบุตเราก็ไม่ปล่อยนะประคองไว้ตลอดมันก็เลยทำ ไ, ได้อารมณ์อันนี้คือหลักอันหนึ่งว่าการที่เราจะได้อารมณ์ได้ไวคือพยายามประคองให้สม่าเสมอไม่ใช่ว่าได้อารมณ์เราก็เร่งเต็มที่พอเสียอารมณ์ปร๊บฉันทิ้งเลยอันนี้จะนับเป็นลักษณะที่ทาให้ไม่ได้อารมณ์เพราะว่ามันสุดตรงไงพอก็เต็มที่กับตรงหมดที่พอล่อยทิ้งเต็มที่กัตรงหมดที้ แต่ประคองไปเรื่อยๆได้อารมณ์ไม่ได้อารมณ์ไม่ไม่ไม่ไม่สคัญแต่พยายามประคองให้ต่อเนื่องไปอันนี้จะง่ายนะคุณเฉลิมชัยวันนี้ยังแต่ว่าเราไปทาที่ไหนก็รารู้สึกมันไม่ค่อยเ้าท้องเปลี่ยนเลยน ะ, อ, ะอย่าไปทูซีเ <laughs> ามันเสียเวลา <laughs> เป็นที่เลยสอนชองช่วงบ่ายช่วงบา่บ า, ยบายช่วงบ่ายช่วแรกนะครับอ่ะ มพื่อสังเกตเห็นน่ะคุณสมชายได้อารมณ์เป็นช่วงๆช่วงสั้นๆนะแ่อาการว่าครื่งหลังอ่าไม่ดีไม่ดีนะช่วงแต่ช่วงเย็นนี้ก็แก้คืนไม่ได้นะได้ไหมช่วงเย็นได้ได้เนาะเพราะเกิดขึ้นมาข้างบนตอนบ่ายตอนตอนบ่ายนะครึ่งหลังนี่ดีขึ้นนะก็คิดว่าเข้ามาก็นั่งนิ่งขึ้นอ่าคุณนุชว่าไงวันนี้ดีขึ้นกว่าเดิมไหม เมื่อคุณตั้งใจทําแบบว่าไม่ไม่ผ่อนคลายนะค่อนข้างเกรงไปหน่อยตอนยกนะใช่ไหมอ๋อช่วงหลังเพลินเพลินเพราะไม่ขยับมือเกร็งทั้งตัวเลยก็เยอะอย่าข้างเดียวนะอถ้าสมมุติว่ามันเป็นรู้สึกตึงๆนะคุณก็เปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนถ้าสมมติว่าเปลี่ยนในยบอดหรือยกมือสร้างหรือเปลี่ยนไม่นั่นก็ เอสทีามช่วยได้ไอดอัน <c> น <oughs> ี Kin ้อเคทีเจ yeah. right. so, ็ที่สามก็ค yeah, ืออย่างนี้ใช่ไหมเชื่อเออใช่ลูกไปใช้ได้ทีเดียวละที่สามแล้วก่อนนอนใช้เอเคทีไหนก่อนก่อนนอนคุณมารีว่าต้องใช้เอทอะไรนะสองใช่ไหมเพราะเอทีทีสองนึ่เขสือว่าแกจะยืนอยู่ท่าเดียวก็ยืด ก็ดีนะข้อนี้เรามีของเล่นมากขึ้นของเล่นมากขึ้นไม่เบื่อนะฮะไม่ทำมันก็รับเลยเราเออเราเห็นไ้มได้ผลนี่ยอย่างน้อยก็ให้รับง่ายก็ใช้ได้นะอะไรก็ตามให้มันเป็นประโยชน์ก็ใช้ได้นะอาคุณอานิธิรัตน์เป็นไงบ้างวันนี้ วันนี้รู้สึกว่าหลวงเมื่อวันนี้คุณเมื่ออยู่ในสายตาหลวงพ่อเลยพุ uh ่งมาเห็นค uh ุณนี่ทุกวันเห็นชัดวันนี้ไม่เคยเห็นเลยวันนี้พุ่งเห็นเออตัวเล็ขลงนะเพราะทุกวันนี้ดิ้นพลานๆนะแต่วันนี้ไม่เห็นดินเลยเหงือนกัะคงจะได้อารมณ์ขึ้นหรือเปล่ามรุ๊ดดิหลบไปนอนหายไปไหนมึงก็หลบไปนอน แต่ก็ดีขึ้นไหม ส, ส้งปลายส้งท้ายา ก, าก็ดีน ะ, ะยกสุดท้ายน ะ, ะแล้วสุขสีจะรายงานเองหรือเปล่าหรือให้พี่เธอก็พุ่พงสั่นเป็นเหมือนกันนะนู่นผู้สั่เขาไม่เป็นไม่ได้นั่งแค่เพลินไม่ใช่คนเรามันต้องมันก็ต้องทำหน้าที่นะ แต่ว่าคิดก็คือจิตมันทําหน้าที่ของมันนะนะในการคี่จิตทําหน้าที่ของมันรับรู้ตามความเป็นจริงเราไม่เรียกว่าคิดแราเกว่าเป็นธรรมอารมณ์ใช่ไหมขีม้ที่หลวงพ่อแยกเห็นสามอย่างอนะมีธรรมอารมณ์เกิดตัวตั้งใจแล้วกปัญญาแล้วก็ตัวที่มาโดยม่ตั้งใจเรียกว่าสังขารนนะ่ะมีสามตัวเพราะฉะนั้นเราจะไปเหมอกว่าเป็นความคิดหมดไม่ใช่เอ อ, อันนี้หน้าที่ของจิตรับรู้แล้วก็ปล่อยผ่านรับรู้วก็ปล่อยผ่านมีบังคับมันถ้าบังคับมันไม่ให้คิดเลยนี่ปวดหัวเลยล่ะ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 จะรู้มันก็เป็นอนัตตาเอใช่หรือเปล่าเนี่ยเป็นควยช่นอยู่เนะีเธอถามใครกันแน่นี้เนะี่ยจะรู้เป็นอนัตตาหรือเปล่าแล้วตัวอนัตตาเป็นอะไรอ่ะเป็นตัวรู้หรือเปล่าอนัตตาเป็นอะไรอ่าต้องสื่อไปตรงนั้นก่อนเฮ้ยจะสรุปง่ายๆว่าจะรู้เป็นอะฮะัวรู้เกิดแล้วกระดับ อ่ามันก็เป็นหน้าที่ของมันนะเกิดแล้วก็ดับอการเกิดดับขยายตัวเป็นสามนะอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเกิดแล้วไม่ดับเกิดแล้วไม่ดับเป็นทุกขงังเกิดแล้วดับทํำตามหน้าที่เพราะฉะนั้นตัวอ น, นิจจังและตัวอนัตตานั้นมันเป็นเงื่องไข่ตามธรรมชาติแต่ถ้ามัน ไม่เท่ากันมันเกิดตัวที่สามคือทุกขังนะเพราะอนิจังดูนั้นถ้าไม่มีทุกขังมันกลายเป็นปัญญาเออแต่ถ้าหากว่ารู้ไม่เท่าทันอนิจังกลายเป็นทุกขังแล้วก็เป็นอนัตตาอานิจังทุขังอนัตตาไม่รู้เธอจะทันไม่ทันเดว่าะบอกเป็นสูตรไวก่อนนะว่าอานิจัง มันจะเป็นนาตาต่อเมื่อมันมีทุกขังเข้ามาแต่ถ้าอ น, นิจจังตัวนั้นถ้ามี <c oughs> รู้การรู้เท่าเกิดขึ้นมันไม่เป็นทุกขังสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่นาตามันก็คือตัวธรรมมารือตัวปัญญาที่เราบอกว่ามิขี่คื อ, อนาตาหรืออทุกขโมสุโขเวทนาก็คือตัวปัญญาถ้ารู้เท่าทันแต่ถ้ารู้ไม่เท่าทันเป็นอุเปขาเวทนาเพราะฉะนั้นเราก็ปรับความสมดุลให้เกิดระดับต้นต่อของมันนะ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 พ่อะไรคนหนึ่งนะมันก็จะเป็นทุกข์ทุกข์ขังเกิดขึ้นทันทีเลยอันนี้ก็เป็นหลักที่จําไว้ก่อนก็แล้วกันว่าเราจะสรุปว่าตัวรู้เป็นหน้าตาไหมไม่ใช่ตัวรู้เป็นภาวะธรรมชาติที่เกิดแล้วก็ดับตามธรรมชาติของมันมันจะเป็นหน้าตาต่อเมื่อมันมีปัญหาหน้าตาแปลว่าคข้าบัญชาไม่ได้อันนี้ไฟนี่เหมือนกันถ้ามันสว่างขึ้นมาโดยที่ไม่มีสวิตเนี่ยเป็นไง ปกติไหมผิดปกติผีหลอกอ่ะนะอ้จูๆเข้าไปไฟมันเกิดเองป๊อปเล ย, เยถ้าเราไม่ตั้งเซ็นเซอร์ไว้นะนะเพราะฉะนั้นในช่วงเย็นเนี่ยไว้แค่นี้หมดเวลาแล้วเนาะได้สิบห้าคนนะรอบหนึ่งก็ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานั้นเป็นการอสอบอารมณ์ที่แต่และคนแล้วเก้าสิบเอร์เซ็นต์นะได้ลงวันนี้นะแล้วก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็ดีขึ้น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 มาทำตัวนั้นพร้อมกันระหว่างตัว d e f ฟท i วีเทลไกับ SKT เพื่อเป็นการปั๊มออกซิเจนให้เต็มที่เดี๋ยวก่อนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป้าหมายที่เราทำไอ้ท่วงท่าใช่ไยเนี่ยเป้าหมายเพื่อต้องการให้เกิดออกซิเจนแต่น่วันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นหายใจเข้าออกเอสเคทไปแทนได้ mm hmm. โดยนั้นโดยต้ไม่ต้องใช้เวลามาก ได้เร็วขึ้นแล้วก็เลยสกิปตัวนั้นออกไปแล้วเอาตัวนี้เข้ามาแทนนะเมื่อออซิเจนเข้าอยู่ในร่างกายมากๆเป็นไงสารหนืดสารเหนียวสารเฉืยมันก็ไม่มีใช่ไหมเหมือนกับใยที่มันได้ออซิเจนมากมันก็จุดแล้วมันก็โร่งไหวขึ้นร่างกายของเราเมื่อออซิเจนเข้าไปเต็มที่แล้วกายมันก็เส้นสายอะไรต่างๆมันก็เลือดมันก็ฟลูดีนะก็การลมหายใจตอนเกิดขึ้นตอนไหนตอนที่พอเข้าไปจนที่แล้วกันนิดนึงใช่ไหม สามวิสีเวิตัวนั้นอะ่ะก็จะเปลี่ยนสารในบางตัวไหนนั้นด้วยก็ค้นวุทนาสาธุที่เราได้ศึกษาธรรมะร่วมกันในรูปของการสอบอารมณ์และถามอารมณ์เพื่อให้ตรงประเด็นของแต่ละคนนะก็ค้นวุฒนาสาธุให้พัฒนาอารมณ์นี้จนเป็นญาณวิมุตติ้วยกัรทุกคนทุกท่านเถนิอ่ากับภาพของกัน